เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรตรสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ตรงกับวันแรมส4่คาำเดือนสามเป็นวันพระ เป็นวันธรรมบัษสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริศัทผู้มีจิศตศรทัทธาที่แน่วแน่ต่อพระรัตนตรยัยต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนต่อพระอริยสงสาวกได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ ในทางพระพุทธศาสนาตามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสสอนให้ปฏิบัติเป็นประจำทุกทุเจ็ดวันหรือแดวันหรือหกวันก็กำหนดให้เป็นวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่ญาติโยมจะได้มาเข้าวัดเพื่อขัดเกลา กายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดของกายวาจาใจนำความสุขนำความเจริญมาให้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆวันพระเพราะ ตลอดระยะเวลาหวันก่อนที่จะมาวัดพวกเราก็ต้องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการกระทำของเราก็มักจะถูกกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้ามาปะปนเข้ามาคุกคล้าททำให้กายวาจาใจของพวกเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ ถ้าเราไม่ชำระกิเลสที่มาคลุกเคล้ากับกายวาจาใจของเราเราก็จะมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราได้มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า กายวาจาใจของเราก็สะอาดเราก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบาน ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ดีนี่แหละคือเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาวัดกันทุกๆวันพระหรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถมาในวันพระ ได้เราก็มาในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แทนก็ได้เพราะความจริงแล้ววันเวลาไม่ได้เป็นตัวสำคัญสำคัญที่การปฏิบัติสำคัญที่การกระทาต่างหากได้ได้กระทตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระอา น, นิสงส์ผลบุญก็จะได้เหมือนกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องเป็นวันพระแต่ขึ้นอยู่ว่าเราทำหรือไม่ทำต่างหากเหมือนกับรับประทานอาหารจะรับประทานเวลาไหนก็เหมือนกันรับประทานแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องรอถึงเวลาเที่ยงตรงถึงจะรับประทานถึงจะอิ่มถ้ารับประทานเวลาอื่นแล้วจะไม่อิ่มมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันใดการ รักษาศีลก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องรอถึงวันพระและ้วค่อยรักษาไม่จำเป็นจะต้องให้มีพระมาบอกศีลมาให้ศีลกับเราเพราะศีล น, นี้เป็นของใครของมันให้กันไม่ได้ศีลของพระจะมีมากกี่ข้อก็ให้คนอื่นไม่ได้ถ้าให้คนอื่นไปพระก็ไม่มีศีลเท่านั้นพระก็ไม่เป็นพระแล้วถ้าให้ศีลคนอื่นไป ศีลของใครเนีใครก็ต้องรักษาของตนไปเพียงแต่การให้ศีลนี้เป็นการบอกให้รู้ในกรณีที่ไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเช่นเราอยากจะรักษาศีล5ข้อหรือ8ข้อแต่เราไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรเราก็ต้องอาศัยพระเราก็มาสมาทานคำว่าสมาทานก็คือ ขอเชิญให้พระหลวงพ่อหลวงตาช่วยบอกสินให้หน่อยว่าสินห้าข้อนี้มีอะไรบ้างจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้หรือสินแดข้อมีอะไรบ้างจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะถ้าไม่รู้แล้วเอาไปปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะไม่ได้อานิสงส์ของการรักษาศีนนั่นเองที่มีอยู่ถึงสาประการด้วยกัน ดังที่ได้แสดงไว้ในท้ายของสีเมื่อกี้นี่ว่าซีเลนสุขติยันติสีจะนำพาไปสู่สุขติตายไปแล้วไม่ต้องรอให้คนมาเชิญเราไปสู่สุขติเราไปของเราเองคนอื่นเชิญเราไปไม่ได้พระพาเราไปไม่ได้เช่นยวาคนตายให้พระมานำศพไป นำไปได้ก็ไปที่เมนเท่านั้นเองเอาไปเผาแต่ใจที่เป็นผู้กระทาบุญทำบาปนี้ผู้ที่รักษาสีนี้เป็นผู้ไปเองร่างกายไม่ได้ไปใจไปใจนี้เป็นเป็นดวงวิญญาณเลลวลาออกจากร่างกายไปเป็นเหมือนกับกระแสวิทยุโทรศัพท์มือถือนี่แหละที่เราส่งกระแสคุยกันได้นี้ก็เพราะว่า เรามีกระแสะคลื่นวิทยุมือถือพอเรากดปุ่มส่งมันไปมันก็วิ่งไปหาอีกเครื่องหนึ่งฉันใดกระแสะจิตหรือดวงวิญญาณนี้ก็เป็นเช่นนั้นพอออกจากร่างแล้วมันก็ไปตามบุญตามกรรมไปตามบุญตามบาปที่ทำเอาไว้ถ้าทําบาปมันก็พาไปสู่อาบาย ไปสู่นรกไปสู่เปรตไปสู่เดรัจฉานถ้าทำบุญไว้มันก็พาไปสู่สุขติรักษาศีลห้าข้อได้รับรองได้ว่าตายไปแล้วได้ไปสู่สุขติอย่างแน่นอนเหมือนกับเรากดเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเรากดเบอร์นี้ส่งไปปั๊บเดี๋ยวเพื่อนเราต้องได้รับอย่างแน่นอนคนอื่นรับไม่ได้เพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเพื่อนเรา ฉันใดถ้ากดศีลหกดศีลข้อหนึ่งสหแล้วส่งไปเวลาตายไปใจก็จะไปสู่สุคติสุคติก็คือสวรรค์มีสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมเป็นต้นเป็นอย่างนี้นี่คืออ น, นิสงส์สของศีลศีลห้าข้อมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ทำลายชีวิตของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานก็ตามไม่ได้ไม่ว่าเหตุผลกลไกใดก็ตามฆ่าแล้วเป็นการผิดทั้งนั้นบางคนอาจจะอ้างว่าจําเป็นจะต้องต้องทำอาชีพจับปลามาค้าขายเพราะถ้าว่าไม่ได้ทําแล้วอดตายคนอื่นที่ก็ไม่ได้ทำอาชีพประมงนี้ทําไมก็ไม่อดตาย เราไม่ลองถามก็ถามคนอื่นดูว่าทําไมคุณอยู่ได้ทําไมคุณไม่ต้องทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณทําไมถึงอยู่ได้เพราะว่าอาชีพมันไม่ได้มีอาชีพเดียวอาชีพมีหลากหลายด้วยกันเราหลีกเลี่ยงอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะดีกว่าเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียเราอาจจะได้เงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วในชาตินี้แต่เราตายไปนี่เราต้องไปใช้เรงใช้กรรม ่าสัตว์ติดชีวิตก็ต้องไปถูกเขาฆ่าฆ่าปลาฆ่าปลาก็ต้องไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าข่าหมูฆ่าไก่ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นไก่ให้เขาฆ่ามันคุ้มที่ไหนสู้ยช่วยธรรชีตที่ไม่ต้องฆ่าไม่ดีไปตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่เหมือนกับเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เทวดากับพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่แบบเดียวกันมีแต่ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายมีอาหารคิดมีลูกคิดเสียงคิดกลิ่นทิดให้เสรเป็นเวลาอันยาวนานหลายพันปีกว่าจะหมดบุญเมื่อหมดบุญแล้วก็ลงกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิม มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าเดิมนี่คืออนิสง์ของการทำบุญเช่นการรักษาศีลและการให้ทานการไหว้พระสนน่วนบนการนั่งสมาธิการฟังเทศน์ฟังธรรมเหล่านี้แลเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่สุขติแล้วเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิม ได้กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นไปอีกจนกว่าเราจะได้ไปถึงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงเมื่อเราถึงที่นั้นเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละคือพระนิพพานเป็นที่อยู่ของมหาเศรษฐี ทางธรรมเป็นมหาเศรษฐีผู้มีอริยทรัพย์หรือมีทรัพย์ภายในเศรษฐีในทางอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในก็คือความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขันนี่เองไม่ใช่อะไรอื่นใดนี่แหละเป็นเป็นทรัพย์ที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงทรัพย์อย่างอื่นนั้นมันเป็นทรัพย์ชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไป สุขที่ได้มากับทรัพย์ก็หมดตามไปด้วยไม่อยู่อย่างถาวรแต่อริยะทรัพย์หรือทรัพย์ภายในนี้จะอยู่กับใจไปตลอดอยู่คู่กับใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีไว้ครอบครองท่านมีทรัพย์ภายในอยู่กับท่านไปตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดส่วนทรัพย์ของพวกเรานี้เป็นทรัพย์ที่มันดิ้นได้ มันมันยังไม่ตายคือมันอยากจะหนีจากเรามันก็หนีจากเราได้คนอื่นมารักไปได้ขมโมยไปได้แต่ทรัพย์ภายในนี้ไม่มีใครขมโมยไปได้เช่นวันนี้เรามาทําบุญเรามีความสุขใจความสุขใจอันนี้ไม่มีใครแย่งไปได้แต่ความสุขที่ได้จากคู่ครองของเรานี้คนอื่นเขาแย่งไปได้คนอื่นเขาแย่งคู่ครองเราไปได้ ความสุขที่ได้จากคู่ครองก็จะหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือความสุขที่เกิดจากสมบัติต่างๆก็เช่นเดียวกันเวลามีสมบัติก็มีความสุขแต่พอสูญเสียสมบัติไปก็มีแต่ความทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าโง่อย่าไปหาความสุขภายนอกอย่าไปหาทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายนอกไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของใจทรัพย์ที่แท้จริงของใจต้องทรัพย์ภายในทรัพย์ที่เกิดจากการทาบุญให้ทานทรัพย์ที่เกิดจากการรักษาสิงทรัพย์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมทรัพย์ที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเหล่านี้และเป็นทรัพย์ที่เราควรจะรีดตักตวงเสีย ใ, ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะเป็นโอกาสทองที <aman Kollegen. S 2> ่จะได้มีโอกาสมาตักตวงอริยทรัพย์เพราะถ้าไปเกิดในภบอื่นชาติอื่นจะไม่มีโอกาสมีพบของมนุษย์นี้เป็นพบเดียวเท่านั้นที่จะสามารถตักตวงอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในได้อย่างเต็มที่ส่วนพบชาติอื่นนั้นเป็นที่ไปใช้บุญใช้กรรม เป็นที่ไปรับบุญรับกรรมพบมนุษย์นี้เป็นพบสร้างบุญสร้างกรรมถ้าเกิดมาละโมวแต่สร้างบาปสร้างกรรมก็จะเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วขาดทุนแทนที่จะได้ทรัพย์ไปกลับได้กองขยะไปได้ยาพิษไปได้สิ่งที่ไม่ดีพาไปสู่สู่ภพชาติที่ไม่ดีไปใช้กรรมในอบาย ถ้าทำบาปทำกรรมตายไปก็ต้องไปใช้กรรมเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกติดตารางติดไปจนกว่าจะหมดเมื่อหมดโทษแล้วก็ปล่อยออกมาทำบาปทำกรรมแล้วไปตกนรกก็ต้องอยู่ในนรกจนกว่ากรรมนั้นจะหมดเมื่อหมดกรรมนั้นแล้วก็จะถูกปล่อยกลับออกมาก็ต้องแวะเป็นเปรตก่อนเป็นผีก่อนเป็นเดรัจฉานก่อน ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาพราะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รูปร่างหน้าตาก็เลวกว่าเดิมแทนที่จะดีกว่าเดิมกลับเลวกว่าเดิมอาการสาสสองก็ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์สุขภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยสติปัญญาก็ไม่ดีกว่าเดิมและฐานะการเงินการทองก็ แย่กว่าเดิมลำบากกวเดินที่เป็นอนิสงส์เป็นผลของบาปของกก่าส่วนอนิสงส์ของบุญก็อย่างที่ได้แสดงไว้แล้วเราจึงควรรีบตักตวงบุญกุศลเสียเพราะมีชาติของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะทําได้และเมื่อตายไปแล้วจะไม่ได้กลับมาทันทีเพราะต้องไปรับใช้บุญรับใช้กรรม กว่าจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกก็เอกหลายพบหลายชาติทีเดียวเราจึงอย่าประมาทเวลาเรากลับมาคราวหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอาศาสนาพุทธอีกแล้วก็ได้เวลาไม่มีาศาสนาพุทธก็เป็นเหมือนกับไม่มีแสงสว่างสั่งสอนสัมโลกให้รู้จักเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษเรื่องแนวโลกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องบุญเนื่องกรร พอไม่มีคําสอนเหล่านี้อยู่คนก็จะทําตามอํานาจของติเลกความหลงกันทีอยากจะได้อะไรก็หามาด้วยทุกวิถีทางถ้าคุยกันดีๆขอกันดีไม่ให้ก็ทุบตีกันฆ่ากันเอามากันลองดูประเทศเลอสถานที่ไม่มีาศาสนาเขาทําอย่างไรกันพวกคนป่าคนที่เขาอยู่ใน กเขามีแต่จะคอยฆ่ากันกินกันเขาไม่มีความเคารพในในทรัพย์สินของผู้อื่นในชีวิตของผู้อื่นเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรหรือไม่พอใจใครเขาก็ฆ่าได้ทันทีเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมเพราะเขาไม่รู้ว่ามีบาปเป็นกรรมนั่นเองเขาคิดว่าตายไปแล้วก็จบพอร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำไปเถอะทำดีก็ไม่ได้ดีทำบาปก็ไม่ต้องใช้บาปนั่นแหละคือยุคที่ไม่มีพระศาสนาจะเป็นอย่างนั้นคนจะมีแต่ความมืดบอดถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจโลกก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราไปอยู่ในป่าในเอฟริกาอยู่กับพวกคนเผ่าต่างๆนี่แหละ เขาต้องมีอาวุธคอยคุ้มครองตัวเขาเองเสมอเวลาเขาออกไปนอกบ้านเขาจะต้องคอยระมัดระวังเพราะเขาไม่รู้ว่าจะถูกใครมาฆ่าเขาเขาก็ต้องคอยป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราในสมัยนี้อยู่ในโลกของที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีคนรู้จักบาปบุญคุณโทษมีคนกลัวบาป ไม่กล้าทําบาปกันเวลาไปไหนมาไหนเราไปอย่างปลอดภัยเราไม่ต้องพกพาอาวุธแต่อย่างใดเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่กล้าทําบาปกันแต่มันยังไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาและเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญกันเท่าไหร่เพราะเราจะต้องคอยดูแลป้องกันชีวิตของเราเราก็ต้องคอยฆ่าผู้อื่น เพราะเขาจะคอยฆ่าเราอยู่ตลอดเวลาเวลาที่จะมานั่งทำบุญให้ทางมาสงเคราะห์มาช่วยเหลือกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งสมาธิมาไหว้พระส่วนมนนี้จะไม่มีเลยจะมีแต่คอยเฝ้าคอยดูแลทรัพย์สมบัติดูแลชีวิตของตนไม่ให้ผู้อื่นมามาฉกแย่งชีงเอาไปมาฆ่าชีวิตของเราไป ดังนั้นในชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดในการตัดตวงทรัพย์ภายในอริยทรัพย์จึงอย่าปล่อยให้เวลาอันมีคุณค่านี้ผ่านไปเพราะว่าถ้าเราตัดตวงแล้วเราจะยกระดับจิตใจของเราให้ไปสู่ระดับของพระอริยเจ้าไดสาาส้สู่พระพระอลหันสุสู่พระพทธเจ้าได้ อยู่ที่การจัดตวงบุญกุศลนี้เท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราในแต่ละภพแต่ลชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านไม่เคยปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญบารมีเลยท่านทำบุญให้ท า, ออ น, านอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ดี หรือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ดีท่านไม่เคยอยู่นิ่งเฉยพยายามทำอยู่ทุกเวลานาทีเพราะนี่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาให้จิตใจของท่านสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในชาติสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ออกบวชได้ปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุถึงพระนิพพานที่มีแต่บำลมาสุขอยู่ไปอย่างนั้นตลอดไปจนวันจนไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของกุศลเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจเรื่องของการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตของเราอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การ ทำความดีอยู่ที่การละการกระทำบาปอยู่ที่การชำระใจให้สะอาดหมดจดอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเรามาวหายพระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญปัญญาทําไปเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะ ดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องมาลดน้ำรวดดินอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ปลูกแล้วก็ทิ้งมันไปให้มันปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมส่วนใหญ่ก็จะตายไปเพราะมันขาดการดูแลรักษาขาดน้ำขาดปุ๋ยมันก็จเจริญไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกัน การที่เราจะได้บรรุถึงธรรมถึงธรรมขั้นสูงได้ก็ต้องอยู่ที่การทานุบารุงจิตใจของเราอยู่อย่างสมบเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมามาบำเพ็ญกันสักครั้งมาปฏิบัติกันสักครั้งมาทำบุญให้ทานมาเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขสละเวลาเพื่อ ทรัพย์ภายในที่ดีกว่าเพื่อความสุขภายในที่ดีกว่าความสุขภายนอกเพราะเป็นความสุขที่จีรังถาวรเป็นทรัพย์ที่จีรังถาวรที่จะติดไปกับใจของเราไปข้างหน้าก็ไม่อดอยากขาดแคลนมีบริสัทธ์บริวารมีมีปัจจัยสี่มีเครื่องอุปภโภคบริโภคพร้อมสมบูรณ์ อย่างนั้นการทำบุญให้ทานจึงเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ขาดทุนถึงแม้เราจะอาจจะคิดว่าขาดทุนเพราะไม่ได้อะไรเอาของเอาเงินมาให้คนอื่นตัวเองไม่ได้อะไรกลับไปเลยกลับไปแต่ตัวเปล่าๆแต่หารู้ไม่ว่าใจนั้นเบาขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีทรัพย์ภายง่มากขึ้นมีความอิ่มเอิบใจมากขึ้น มีความโลภน้อยลงมีความตหนีีน้อยลงมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำบุญให้ทานถ้าเราไม่พิจารณาหรือถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังทาเราจะไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราได้เราคิดว่ามาวัดแล้วเวลากลับเราต้องหิ้วข้าวของกลับไปด้วยถึงจะได้กำไรเช่นกับข้าวกับปลาอาหารที่เหลือจากพระนี้ เราต้องเอากลับไปบ้านเราถึงจะได้กำไรอย่างนี้ไม่ได้กำไรต้องกำไรทางด้านจิตใจของภายนอกก็เอาไปได้ทางวัดไม่ได้หวงเพราะของพระที่เหลือแล้วก็ยกให้ญาติโยมหมดแบ่งให้ญาติโยมไปอยู่แล้วแต่อย่าไปหลงคิดว่าของที่พระให้มีเป็นอ น, นิสงผลบุญจากการมาทำบุญที่วัด น, นี่ไม่ใช่เป็นอ น, นิสงผลบุญ อันนี่สงผลบุญก็คือความอิ่มใจความสุขใจความภูมิใจความตะนีน้อยลงความโน้ความโลภน้อยลงความเห็นแก่ตัวน้อยลงต่างหากนี่คือเป็นผลที่เราต้องการเพราะถ้าเรามีความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะไม่เป็นคนใจแคบเราจะเป็นคนใจกว้าง เวลาเราได้ช่วยเหลือใครเราจะมีความสุขถ้าเราเป็นคนใจแคบเราจะมีแต่ความทุกข์เห็นใครเราก็ไม่อยากจะช่วยเหลือพอเราไม่ช่วยเหลือใจของเราก็ไม่สบายขึ้นมาเพราะเราก็ต้องคิดถึงวันเวลาที่เราเดือดร้อนแล้วคนอื่นเขาไม่ช่วยเหลือเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นใจมันจะรู้อยู่แก่ใจว่า เวลาเราใจแคบนี้เราไม่สบายใจเราไม่มีความสุขแต่เวลาที่เราใจกว้างนี้เรามีความสุขเพียงแต่เวลาจะทำให้มันกว้างนี้มันต้องใช้กำลังหน่อยเพราะมันต้องต่อสู้กับความตนันดีกับความเห็นแก่ตัวเวลาจะให้อะไรใครสักอย่างนี้ถ้าเป็นคนตะนดีคนใจแคบแล้วจะคิดแล้วคิดอีกเสียดายแล้วเสียดายอีกกว่าจะให้ได้นี่แ ท, แทบจะหน่วย กว่าจะให้อะไรได้สักครั้งนี่เหนื่อยมากแต่คนที่ใจกว้างแล้วนี้ไม่อยากจะเก็บอะไรไว้มากเกินความจําเป็นเพราะมันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจมีแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยกังวลเวลาหายไปก็เสียใจโกรธแค้นขึ้นมาคนที่เป็นคนใจกว้างนี้จะสบายใจเวลาเข้าของหายไปก็ไม่เดือดร้อนอะไร กับเบาใจขึ้นไปอีกว่าดีเหมือนกันไม่มีมันเราก็จะสบายใจไม่ต้องคอยดูแลรักษามันใครเอาไปเขาเดือดร้อนเขาเอาไปก็ดีเขาจะได้มีความสุขเราก็มีความสุขจากการที่เราให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือความแตกต่างระหว่างคนใจแคบกับคนใจกว้างคนใจแคบจะมีแต่ความความทุกข์ความไม่สบายใจ ส่วนคนใจกว้างนี้จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจเราเลือกเอาเราอยากจะได้อย่างไหนถ้าเราอยากจะได้ความสบายใจเราก็ต้องพยายามเอาชนะความต้านี่ให้ได้มีอะไรพิจารณาเห็นว่ามันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปให้คนอื่นเลยพอให้ได้แล้วครั้งหนึ่งต่อไปก็จะได้ให้ให้ได้ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อ ย, อย <Yeah. S 1> มีสมบัติจองเจ้าภูเขาไม่มีประโยชน์อะไรเวลาตายไปเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเอาไปได้แต่ใจที่แคบใจที่ทุกข์ใจที่มีแต่ความตณหนี <Yeah. S 1> คนที่ไม่มีสมบัติติดตัวอยู่เลย <Yeah. S 1> เพ่อแจกจ่ายให้คนอื่นหมดแล้วนั้น <Yeah. S 1> เวลาตายไปไปอย่างเบาไปอย่างสบายไปอย่างสุข <Yeah. S 1> ไปอย่างภูมิใจ นี่คืออันนี้สองของการให้ทานเป็นอย่างนี้เราจรึงควรบันให้ทานกันอย่างสม่ำเสมอสีนเราก็รู้แล้วว่าเมื่อเรารักษาแล้วก็เป็นเหมือนกับซื้อประกันไว้ว่ารับรองได้ว่าตายไปแล้วไม่ไปตกนรกตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นเวลอาชานตายไปแล้วมีแต่จะได้ไปเกิดบนสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่าสวยงามกว่าเก่า มีแต่ได้ทั้งนั้นเพียงแต่เราไม่มองกันเราจะเอาแต่เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นทำอะไรแล้วก็อยากจะได้ผลทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำบุญให้ทางไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้เพราะจะเห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาแทนที่จะไปทำงานทำการหาเงินหาทองหรือมีเงินมีทอ ง, ทองก็ไปเที่ยวหาความสุข ก็ต้องมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ไปเสียเวลาปปล่ า, าถ้าเรามองถึงผลปัจจุบันเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแต่ถ้าเรามองถึงผลที่เราได้รับภายในใจของเราและภพชาติที่จะตามมาต่อไปเราก็จะเห็นว่าเ อ, อเราได้อะไรมากมายกากองดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ หลายร้อยเท่าด้วยกันดังนั้นขอให้เรามองตรงนี้เวลาเราปฏิบัติกิจทางศาสนามองที่ใจเรามองที่ภบชาติที่จะตามมาต่อไปในภายภาคหน้าแล้วเราจะได้ไม่ <c oughs> ไม่เสียดายกับเวลาไม่เสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าสองเงินทองไม่เสียดายกับความสุขทางโลกเราจะมีแต่ความยินดี มีแต่ความพอใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลขัดเกเลอกิเลสทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดอย่างต่อเนื่องอย่างสมบเสมออย่างที่พวกเราได้ทำกันอยู่ได้จะทำต่อไปฉึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาบําเพ็ญมาขัดเกลูกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุท์ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เพื่อประโยชน์สุขและที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระษีะรัตนกรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและใน ท, งทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ